บ o ๊กทูเจ็ดสิบเก้าคำคุณศัพท์สองดิฉันสวมชุดสีฟ้า на мне я я с и н นี с у к е н к นดิฉันสวมชุดสีแดง นำนี้ชิ้ร์ н วเน่สุ н ิเอ็นฉันสวมชุดสีเขียวนำนี้เยลูเน่สุกิเอดิฉันซึกระเป๋าถือสีดำดิฉันซึกระเป๋าถือสีน้ำตาล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 Мне п ร т р r б н ы o утульный а в т о м о б и ผู้หญิงชราอยู่ชั้นบน там на версе ж ส в ย, สาายชีวิ р ตายจากหญิงชผู้หญิงอ้วนอยู่ชั้นบน т а м н а версе ж ส в ย т ีวิตตายจากหญิผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นอยู่ชั้นล่าง Там у н น з е ж ่ в ีวิตที่เก่าเน่ า, นาจ แขกของเราเป็นกันเองแขกของเราเป็นคนสุภาพแขกของเราเป็นคนน่าสนใจดิฉันมีลูกที่น่ารัก У мяне มิียเดทแต่เพื่อนบ้านมีลูกซนอล д з สุสิดเจลน่าฮานียเลูกของคุณเป็นเด็กดีไหมคะ